ที่ออกจากฌานที่เป็นบาทพิจารณาสังขารเหล่าหนึ่งเหล่าใดเหล่าหนึ่งให้บังเกิดขึ้นได้ย่อมสร้างภาวะที่มักเหมือนกันกันกบตนดุจสีสันของพื้นดินย่อมสร้างภาวะที่สีสันของเฮี้ยหรือเหมือนกับสีสันของตนฉะนั้นด้วยประการดังกล่าวมานี้เข้าใจนะมาดูองค์มักก่อนนะมักนี่เขามีแบ่งอะไรระดับปฐมฌานใช่ไหมระดับ ทุติยะชาญตัติยะชาญจตุทัชาญและปัญจมะชาญเงื่อนไขเป็นอย่างนี้ว่าถ้าทุติยะชาญเอ่อขอไปถ้าปฐมมชาญเนีปฐมมะชาญ น, นะ น, นี่จะต้องมีโพธชงโพธชงเท่าไหร่ปฐมมชาญต้องมีโพชชงเจ็ดองค์มักมักต้องมีองแปดส่วนชาญต้องมีองห้าโพธชงเจ็ดก็คือหนึ่ง สติสัมโพชฌงสองธรรมวิจยะสามโพชฌงสามวิริยะสามวิริยะสามโพชฌงสี่ปีติสัมโพชฌงห้าปัสสัทธิสัมโพชฌงหกสมาธิสามโพชฌงและ7อุเบขาสามโพชฌงส่วนมักมีองแปดก็สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรมมันตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยนะส่วนองค์ชาห5ก็คือวิตกวิจารปีติสุข เอ ก, กขตาถ้าเป็นทุติยะชาทุติยะชานเนี่ยพ่อชงเนี่ยจะมีองค์เจ็ดตามเดิมมรคมีองค์เจ็ดชานเนี่ยมีองค์องค์สอะไรถูกตัดออกไปเพราะมรคเนี่ยถูกตัดสัมมาสังกัปปะออกไปตัดวิตกออกไปองค์ชาญก็ตัดวิตกออกไป ส่วนตะติยชาญเนี่ยนะเหลือพภชงหกอ ง, งมักเจ็ดองชาญสามพโภชงเจ็ดนี่เอาอะไรออกไปเอาปีปีติสามพชงออกไปอันนี้ก็มักก็องเจ็ดเพราะไม่มีสังกะปะอยู่แล้วส่วนชาญ น, นี่เอาวิจาร์ออกไปโทษทีนี้พวกนี้ต้องอันนี้เอาวิตก อันนี้เอาวิจารณปีติตัวนี้ยัง7อยู่ใช่ไหมน่าจะเจอยู่นะโทษทีตาติยะชาเนี่ยยังมีปีติอยู่นะ<ม>เพราะว่าปีติสุกเอกขตานั้นพ่อชงยังเป็นองค์เจอยู่ถ้าเจตุทัชชาพ่อชง<ม>หกพระเว้น<ม>ปีติสามอัมมร์ก็องค์7ส่วนชาเนี่เป็นองค์สองคือสุขนะ<ม>สุขกับเอกคตาส่วนปันจมะชานี่ก็ พ่ชงหองมัคเจ็ดองฌานสองคือข้างบนนี่เป็นสุขกับเอกคตาข้างล่างเป็นอุเบกขากับเอกคตาเมื่อองค์มัคเป็นอย่างนี้อะไรเป็นตัวกำหนดอะไรเป็นตัวกำหนดให้มัคเป็นแบบนี้เข้าถ้าระดับปฐมฌานเนี่ยนะนี้วุธานะคามินวิปัสสนา วุฒานะเนี่ยสมมติว่าขณะนี้เป็นขณนะมรกเนีขณะองชานที่ที่ประชุมกันเนี่ยเป็นขณะมรกมีนิทานเป็นอารมณ์นั้นขณะวุธานะคามินีตรงที่บริกรรมอุปจาระอนุโลมโคตรภูอันนี้โสมณัตแน่นอนวิปัสสนาต้องเป็นโสมนัตตอนเกือบบรรลุนะทุติยชานวิปัสสนาก็เป็น โสมนัตตติยชฌานก็เป็นโสมณัตจตุทชฌานเนี่ยนะก็โสมณัตพอในตอนสุดท้ายตรงปัญจมะฌานเนี่ยวุฒานะขามินีต้องเป็นอุเบกขาแต่ก่อนหน้านี้ไม่จำเป็น น, นะตรงตรงนี้ตรงเกือบจะมัรลุนะในมัคควิถีเนี่ยเป็นโสมนัตหรืออุเบกขาก็ได้แต่ถ้าทั่วๆไปนี้เป็นได้ทั้งโสมณัตและ อุเบกขาเจริญวิปัสนาบางครั้งก็โสมนัสบางครั้งก็เป็นอุเบกขาวันโสมนัสหรืออุเบกขาเหล่านี้เป็นปัจจัย ก, ก็แล้วแต่ตามสมควรนะเพราะว่าก่อนที่จะบรรลุเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้เช่นนะถ้าจะบรรลุด้วยปฐมฌานวิปัสสนาก่อนบรรลุต้องเป็นโสมนัสถ้าบรรลุด้วยทุติยฌ า, านตตดิยฌานจนถึงจตุธาฌานก็ในยะเดียวกันต้องเป็น โสมนัสพอถ้าบรรลุอริยม ร, ระดับปัญจมชฌ ان เวทนาต้องเป็นอุเบกขาอันนี้นี่เขาเรียกว่าสายาฝ่ายอะไรอันนี้เขาเรียกว่าบาตรใช่ไหมพวกพวกนี้ก็สุดแท้แต่ว่าก่อนที่จะเป็นโสมนัสเป็นอุเบกขาเนี่ยนะเช่นโสมนัสหรืออุเบกขาที่เป็นวิปัสสนาแต่ว่าบางท่านเนี่ยมีปฐมฌานเป็นบาทบางท่านมี ทุติยะฌานเป็นบาตก่อนที่จะเจริญนิพพสนานะบางท่านก็มีบัติยฌ า, านบางท่านก็มีจตุทะฌานบางท่านก็มีปัญจมะฌานเป็นบาตถ้าเป็นปัญจมะฌานโดยมากเนี่ยอย่างนี้จะต้องเป็นอุเบกขาอย่างเดียวจะไม่ไม่โสมนัสเพราะว่าตัวบาตแต่ถ้าบนก่อนหน้านี้อาจจะสลับการอุเบกขาบ้างโสมนัสบ้างแต่โดยมากจะมากไปด้วยโสมนัส นี้อารมณ์แห่งวิปัสนาเนี่ยนะบางทีก็บางพวกก็พิจารณารูปบางพวกก็พิจารณานามทีนี้นามเนี่ยก็เป็นแบบอะไรนามที่เป็นกามาวจรเนี่ยนะนามที่เป็นกามาวจรบ้างนามที่เป็นรูปาวจรบ้างนามที่เป็นอรูปาวจรบ้างเนี่ยนทีนี้นามที่เป็นรูปาวจรก็คือเนี่ย รูปาวจรก็ระดับปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานถ้าอารูปาวจรก็เป็นปัญจมะฌานอย่างเดียวก็อันนี้เรียกว่าโดยอารมณ์นี่นะอารมณ์อันนี้บาทฌานที่เป็นบาทตัวนี้ก็ตัวตัววิปัสนาถ้าท้งนี้ก็วุถานะคามินีวิปัสนาตรงนี้ก็เป็นมรกตรงนี้ไม่รู้ตรงไหนนะคนฟังเทปนี่งงหมดเลยแล้วก็ก็ทาให้ตารางให้ดูคร่าวๆนะก็ไปดูเอา นี่มาดูข้อความในวิสุทธิมรรคข้อ2อหน้าอ้ยก้าข้อ799กล่าวว่าส่วนในวาทะของพระเถระรูปที่สองมักที่พระโยคีออกจากสมาบัติใดๆแล้วพิจารณาสมาบัติทำให้บังเกิดขึ้นก็ย่อมเป็นเหมือนกับสมาบัตนนินั้นแหละคือหมายความว่าถ้าพิจารณาปฐมฌมานบรรลุนะมรรคก็ต้องเป็นระดับปฐมฌาน ถ้าพิจรารณาทุติยชาญแล้วบรรลุมักก็ต้องระดับทุติยชาญถ้าพิจรารณาตัติยชาญแล้วบรรลุมักก็เป็นระดับตัติยชาญเหมือนกันก็สุดแท้แต่ชาญที่เป็นเป็นบาตรหมายความว่าเหมือน ก, นกันกับสมาบัติที่พิจรารณาถ้าพิจรารณาอารมณ์ที่เป็นชาญชาญระดับใดก็อริยมักก็จะได้เท่ากับระดับชาญ น, นั้นแต่ถ้าหากว่าพิจารณากามาวจร คือพิจารณาการมาวจรก็อยู่ระดับปฐมฌานเท่านั้นอันนี้เป็นข้อกำหนดแน่นอนแห่งวิปัสนาในวาทะของพระธีระรูปที่สองอ น, น, น ก, ก็สุดแท้แต่พิจารณาอารมณ์อะไรถ้าพิจารณาการมาวจรฌานเทียบเท่าปฐมฌานถ้าพิจารณาปฐมฌานมร ก, ก็ระดับปฐมฌานพิจารณาทุติยะฌานมร ก, ก็ระดับธุติยะฌานถ้าพิจารณาตติยฌานเป็นต้นก็ในยะเดียวกัน ส่วนในข้อแ0 0รอพระเถระรูปที่สบอกว่ามักที่พระโยคียทาฌานใดๆให้เป็นบาตแล้วพิจารณาฌานธรรมทั้งหลายใดๆตามความเหมาะสมแก่อัธยาศัยของตนให้บังเกิดขึ้นได้ย่อมเป็นเหมือนกับฌานานั้นๆนั่นเทียวเราท่านบอกว่าเน้นมากพิเศษคือแล้วแต่อัธยาศัยนะแต่ว่าความที่มักที่เกิดขึ้นเหมือนกับฌานานั้นๆเว้นฌานที่เป็นบาต หรือฌานที่พิจารณาเสียย่อมไม่สําเร็จด้วยเหตุสักว่าอัธยาศัยเท่านั้นคือตัวตัวจําเป็นมากเลยคือต้องอารมณ์ด้วยต้องฌานที่เป็นบาทด้วยที่จะทําให้กําหนดอัธยาศัยได้ถ้าไม่มีฌานที่เป็นบาทไม่มีอารมณ์ที่เป็นฌานให้พิจารณาจะ อ, าอัธยาศัยอะไรมาเป็นเครื่องเครื่องกําหนดอ น, นะจะต้องมันเหมือนกับว่าบริโภคอาหารก็ตามสมควรแก่ฐานะใช่ไหมถ้าซัพย์น้อยมันจะไปเลือกอะไรได้มากมายมันก็ได้ตามที่ อ, องค์ประกอบอื่นๆเพราะตัวตัวใจที่ต้องการอย่างเดียวไม่พอนะจะต้องมีฌานที่เป็นบาตพิจารณาอารมณ์ที่เป็นฌานจึงสามารถเลือกเลือกมรคว่าจะขอได้มรคระดับฌานไหน น, นะนเรียกว่าขณะตําแหน่งที่เป็นโลกุตระยังต้องอยากเลือกอีกนะบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องอารยมรคเนี่ยนะมีนัยยะเป็นพันพันในลำพีท่านบอกเรียกว่าสหัสไนเนียสหัสไนก็แปลว่าพันใน เกี่ยวกับเรื่องอรารยมรรคนะที่เคียนเนี่ยขยิบอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าดูตามมาษาที่นี่จริงๆแล้วเนี่ยคำพิภิธรรมเนี่ยนะเป็นพันๆนในเลยทีนี้ส่วนเกี่ยวกับเรื่องอัธยาศัยเนี่ยนะท่านก็ยกข้อความในนันทโกวาทสูตรคมภีร์มัชชิมนิกายอุปริปันธาตว่าดูความพิสูจนทั้งหลายเปรียบเหมือนว่าในวันอุโบสถขึ้น15คห้าชนส่วนมากย่อมไม่มีความสงสัยหรือความลังเลใจว่าพระจานทร์พร่อง หรือว่าเต็มดวงหนอแต่ทว่าจะมีแต่ความปลงใจว่าพระจันทร์เต็มดวงอย่างเดียวแม่ฉันใดเพราะวันวันขึ้นสิบห้านี้พระจันทร์ต้องเต็มแน่นอนใช่ไหมดูกรพิสูนทั้งหลายภิกษุณีเหล่านั้นก็เป็นผู้มีความพอใจและมีความดําริเต็มเปี่ยมในธรรมเทศนาของนันทะกะฉันนั้นดูกรพิสูนทั้งหลายบรรดาภิกษุณี500ร้อรูปเหล่านั้นภิกษุณีรูปใดมีคุณธรรมต่าสุด ภิกษุณีรูปนั้นก็เป็นพระโสดาบันมีอันไม่ตกไปในอบายเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้แน่นอนที่จะต้องบรรลุอริยมรรคระดับสูงต่อไปข้างหน้าเพราะตอนนี้ก็ได้โสดาปฏิมาแล้วหลังจากนั้นจะได้อริยมรรคสูงข้างหน้าดังนี้จึงอยู่บรรดาภิกษุณีเหล่านั้นภิกษุณีรูปใดมีอุปนิสัยแห่งโสดาปฏิพนภิกษุณีรูปนั้นก็เป็นผู้มีความดําริเต็มเปี่ยมด้วยโสดาปฏิพนนั่นเองภิกษุณีรูปใดมีอุปนิสัยแห่ง ทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาก็บรรลุแบบนั้นนะนะก็ปฏิปทาเป็นสกะทาคามีหรือปฏิปทาแห่งพระนาคามีหรือแห่งพระอรหันต์ภิกษุณีรูปนั้นก็เป็นผู้มีความดําเรดรเต็มเปี่ยมด้วยอรหัตตผลนั่นเองก็คือเรื่องนี้เขามีอยู่ในมัชชิมนิกายอุปริปันธาสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาจะจัดพระเถระเป็นเวนกันเวนก็คือวาระนะเปลี่ยนเวนกันไปเทศสอนภิกษุณี แต่ว่าไม่ใช่ว่า โ, โหไปเที่ยวจัดทั่วไปหมดไม่ใช่พระเถรรารูปนั้นต้องพรรษายีสขึ้นไปอย่างน้อยก็อายุ40ขึ้นไปนะแต่โดยมากสมัยพุทธกาลก็จะคัดเอาผ้าอารหันทั้งหมดเกือบทั้งหมดนะพระไม่เป็นพระอารหันก็เช่นพระอนนท์เป็นต้นก็เวเปลี่ยนวระกันไปสอนพระภิกษุณีทีนี้ในบรรดาผ้าอารหัน์ทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยนะพระนันธกะไม่อยากเทศไม่ต้องการไปเทศสอนภิกษุณีเพราะอะไรเพราะว่าภิกษุณีห้าเหล่านั้นเนี่ยอดีตชาติเคยเป็น บาดปริจาริกาะแปลภาษาไทยก็คือเคยเป็นสนมกํานันของของพนันทกะในอดีตชาตินี่พนันทกะก็ไม่อยากไปสอนที่ไม่อยากสอนเดี๋ยวพระองค์อื่นท่านจะว่าเอาว่าดูสินี่นะติดพันกันมาตั้งอดีตชาติมาชาตินี้บวชแล้วก็ยังไม่จากกันอีกมันก็ไม่ก็อยากไปสอนทีนี้มีอยู่วันหนึ่งใกล้จะถึงวันอุโบสถพระพุทธเจ้าก็ถามพระอานนท์ว่าตอนเนี้ได้วาระใครไปสอนภิกษุณีบอกว่าได้วาระของพนันทกะแต่พนันทกะไม่ยอมไป พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่านั่นถ้ากะไปเธอไปสอนเธอเพราะทีนี้พระพาหันทั้งหลายเนี่ยนะที่ฝืนพระพุทธเจ้าไม่มีพูดแบบภาษาไทยเขบอกพระพุทธเจ้าให้ไปตายท่านก็ไปเหมืงนกันเถอะไม่ไม่มีความว่าฝืนโดยเด็ดขาดนั่นก็ไม่ไม่บ่ายเบีย่ยงท่านก็ไปไปท่านก็สอนนะก่อนจะสอนก็บอกเอาอย่างงี้แล้วการถ้าหากว่าท่านเข้าใจยังไงก็ให้พูดอย่างนั้นเพราะเรื่องนี้จะต้องมีการสอบถามกันหน่อย อนันทกะก็เลยถามว่าดูก่อนน้องหญิงทั้งหลายจะครูเที่ยงหรือไม่เที่ยงแบบไม่เที่ยงเจ้าค่าก็ถามว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงจะกรูวิญญาณภาษะเวทนาเป็นต้นเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่าเป็นต้นท่านก็พิจารณาท่านก็สอนเปรียบอายตนะภายในสอนอายตนะภายนอกสอนวิญ ญ, ญาณ6กภาษา6เปรียบเหมือนกับต้นไม้เงาเขบอกว่าสอนอุปมาด้วยต้นไม้อุปมาด้วยคนแรกโคเป็นต้นนะคนแรกโค แล้วก็นในที่สุดก็สอนให้เจริญโพชงเจ็ดอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคาอาศัยนิโรธาเ้อะไปเพื่อการสละพิษุนีเหล่านั้นก็ฟังแล้วก็ปลื้มใจดีใจสิบห้าวันแรกไม่บรรลุอะไรยังไม่มีใครบรรลุแต่ทุกรูปเนี่ยปลื้มใจมากมีความสุขมากที่ได้ฟังธรรมจากพนันธกะผ่านไปสิบห้าวันนะแต่ตอนที่ฟังธรรมจบเนี่ยพิษุนีก็ไปแสดงความดีใจที่ได้ฟังธรรมจากพนันทกะต่อนหน้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็อุปมาเหมือนว่าอย่างว่า วันสิ่คำชนบางพวกก็อาจจะสงสยัยพระจันทร์เต็มดวงหรือไม่เต็มดวงฉันใดแต่ที่แน่ๆพิสุนีเหล่านั้นยังไม่ไม่สมความปรารถนาที่ตัวเองตั้งเอาไว้แล้วก็15้าวันผ่านไปพระพุทธเจ้าก็ใช้พระนันทกาไปอีกรอบหนึ่งท่านก็ให้แต่พระพุทธเจ้าให้สอนตามเดินทุกอย่างทนี้สอนครั้งครั้งล่าสุดเนี่ยพิสุนีบรรลุทุกรูปมีอยู่รูปหนึ่งที่มีมีเขาบอกว่ารูปท้ายที่สุดเนี่ยเป็นพระโสดาบัน เนี่ยนะเป็นพระโสดาบันบุคคลถามว่าทำไมจึงเป็นแค่พระโสดาบันเพราะว่าภิกษุณีรูปนั้นตั้งเป้าเอาไว้ขอได้เป็นพระโสดาบันก็พอใจแล้ว น, นะก็เหมือนกับบางคนนะ่ยนะคิดมักน้อยไวจริงจริงเลยอุ้ยชาตินี้โสดาบันก็พอแล้วพอใครบรรลุอย่างอื่นก็ไม่สนใจแล้วตัวเองพอใจแล้วใช่ไหมมีความสุขที่ได้เป็นพระโสดาบันอย่างสมัยพุทธกาลก็มีเยอะนะไม่ใช่น้อยพอเป็นพระโสดาบันไปแล้วก็ไม่เคยขวนขวายอะไรเท่าไหร่แล้ว แต่ก็มีบางท่านวะจะต้องเป็นพระสกทาคามีวันนี้จะต้องเป็นพระสกทาคามีวันนี้แต่บางท่านก็ก็ได้เป็นบ้างบางท่านก็ไม่ได้เป็นเพราะว่าอัธยาศัยเนี่ยโน้มไปเพื่อจะบรรลุคุณชั้นสูงแค่ไหนด้วยตรงนี้ท่านก็บอกว่าพระเถระรูปที่สามบอกว่าอัธยาศัยสี่เป็นตัวกําหนดนั้นผู้ใดมีอัธยาศัยอย่างไรเอาไว้ก็จะได้บรรลุสมกับอัธยาศัยแต่อัธยาศัยอย่างเดียวพอไหมไม่พอต้องได้ฌานที่เป็นบาสด้วยนะ จะต้องเอาอารมณ์ของวิปัสนาด้วยนะเป็นตัวกําหนดเพราะว่าปรารถนาอย่างเดียวพอไหมเหมือนอยากอยากได้รถเนี่ยคนที่เขาซื้อรถเนี่ยก็เขาอยากได้รถแบบนั้นอยากได้อย่างเดียวพอไหมไม่พอเขาต้องมีองค์ประกอบอย่างอื่นอีกนะผู้ที่จะได้อริยมรต ก, ก็เหมือนกันมรี่ประโยคีกระทําชานใดๆให้เป็นบาทแล้วพิจารณาฌานธรรมทั้งหลายใดๆให้เกิดขึ้นตามความเหมาะสมแก่อัธยาศัยของตนของต น, งตนว่าความเประ ความที่มักเหมือนกันกับฌานนั้นนั่นแหละเว้นฌานที่เป็นบาศหรือฌานที่พิจารณาแล้วย่อมไม่สําเร็จด้วยเหตุสักว่าอัธยาศัยเท่านั้นด้วยประการดังกล่าวมานี้นั่นเทียวก็ข้อกําหนดแน่นอนแห่งวิปัสสนาแม้ในวาทะของพระเถระรูปที่สามนี้ก็พึงทราบตามนัยยะที่กล่าวแล้วทีเดียวสรุปรูปที่หนึ่งบอกถือเอาฌานเป็นบาศเป็นหลักรูปที่สองบอกว่าถือเอาอารมณ์เป็นหลักรูปที่สามบอกว่าเอา อัธยาศัยเป็นหลักแต่ทีนี้รูปที่สามบอกว่าอัธยาศัยอย่างเดียวไม่พอนะมันต้องเอาฌานที่เป็นบาทด้วยเอาอารมณ์ที่พิจารณาด้วยเนี่ยนะองค์ประกอบนั่นด้วยสรุปของใครดีที่สุดข้อกำหนดแน่นอนแห่งวิปัสสนาแมในวาทะพระธทระรูปที่สามพึงทราบใดที่กล่าวมาแล้วพึงทราบว่าสังขารุปเปกขาญาณกำหนดแน่นอนซึ่งโพชงองมรคและองฌาน ด้วยประการดังกล่าวมานี้สรุปก็เหมือนกับในกระดานที่เขียนขึ้นไปนั่นแหละเป็นไปตามนั้นน่ะถ้าหากว่าสังขารุเปกขายานนี้จะข่มกิเลสมาตั้งแต่ต้นสามารถข่มได้โดยยากโดยมีประโยคะโดยมีสังขารไซก็ชื่อว่าเป็นทุกขาปฏิปทาปฏิบัติยากพวกนี้นะถ้าอูตอนสังขารุเปกขายานเนี่ยนะกิเลสกว่าจะข่มเจริญได้แต่ละยากแต่ละครั้งแต่ละครั้งยากเหลือเกิน เพียรมากเลยที่จะกำจัดอกุศลต้องเพียรมากจะต้องประกอบมากจะต้องอะไรมากกว่าจะเจริญได้พวกนี้แหละเรียกว่าเป็นทุกขาปฏิปทาแต่ถ้าผู้ใดนะพิจารณาเมื่อไหร่ก็ทันทีเลยไม่ต้องไปข่มกิเลสไม่ต้องไปอะไรเร็วมากเลยพวกนี้ก็เป็นสุขาปฏิปทาแต่ว่าพอข่มกิเลสได้แล้วก็ค่อยๆบรรลุค่อยๆทำการบ่มวิปัสสนาให้มากกปฏิปทาปรากฏได้ โอ้ยพอข่มกิเลสได้แล้วเจริญวิปัสสนานะวิปัสสนาก็ไม่ค่อยขยอบเลยเกิดทีละนิดทีละนิดเลยนะพวกนี้เรียกว่าบรรลุช้า ม, มาก <c oughs> แต่เร็วเนี่ยนะหมายความว่าข่มกิเลสก็ง่ายเจริญก็รวดพวกนี้ก็เป็นสุขาปฏิปทาขิด ป, ปาปิญญาบรรลุได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นสังขารุเปขานี้ตั้งอยู่ในฐานะเป็นเหตุที่มาก็ให้ชื่อแก่มรรคของตนของตนด้วยประการดังกล่าวมานี้มรรคย่อมได้ชื่อสีโดยได้ตามฐานะ อันเป็นเหตุมาก็สุดแท้แต่ว่าเป็นมักเป็นสุขาปฏิปทาก็คือสุขาปฏิปทาทันทาพิญญาหรือว่าอามานะเริ่มต้นเต็มอย่างงี้หนึ่งทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาปฏิบัติยากบรรลุยากข้อที่สองทุกขาปฏิปทาขิดปาพิญญาปฏิบัติลำบากบรรลุง่ายสสุขาปฏิปทาปฏิบัติง่ายทันทาพิญยาบรรลุยาก ประเภทสุดท้ายก็คือปฏิบัติง่ายบรรลุง่ายเรียกว่าสุขาปฏิปทาคิปาพิญญาเพราะฉะนั้นมรกเนี่ยโสดาปฏิมรกเป็นต้นก็ได้ชื่อตามปฏิปทาสี่ถ้ามรกสี่คูณปฏิปทาสี่ได้เท่าไหร่สิบหกสี่สี่สกก็มรกตั้งมีตั้งสิประเภทแล้วใช่ไหมดีนะต้องไปคูณสุญญตาด้วยไปคูณองค์ฌานด้วยมร์ก็จะเยอะไปตามนั้นนั่นแหละก็ปฏิปทานี้นั้นสาหรับภิกษุบางรูป มีต่างๆกันสําหรับบางรูปในมรรคทั้งสี่มีอย่างเดียวกันเทียวยกตัวอย่างว่ามรรคทั้ง4ี่ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นสุขาปฏิปตาขิต ป, ปาภิญญาอย่างเดียวพระพุทธเจ้าทุกองนะเป็นอย่างนั้นปฏิบัติง่ายบรรลุก็ง่ายเฉพาะในคืนต้นโพนะแต่คืนก่อนหน้านี้มาคนละเรื่องนะไม่ได้ปรารภส่วนนั้นพูดถึงว่าตอนนั้นเนี่ยปรารภไม่ยากบรรลุก็ไม่ยากส่วนของพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรก็เจริญวิปัสสนาไม่ยาก บรรลุก็ไม่ยากพระโมคขาลานะเนี่ยมรรคแรกโสดาปฏิมรรคของท่านเนี่ยปฏิบัติง่ายบรรลุง่ายส่วนสามข้างล่างสามข้างบนเนี่ยนะปฏิบัติยากบรรลุปฏิบัติยา ก, ตยากแต่บรรลุเร็วแม้อธิบดีทั้งหลายก็ชั้นนั้นเหมือนกันอธิบดีมี4ี่ใช่ไหมชันท่าวิริยะจิตตาและวิมังสาสําหรับพิสุบางรูปเนี่ยนะมรรคสี่ก็มีอธิบดีต่างๆกัน บางคนก็เช่นบางคนก็ฉันทะบางคนก็วิริยะบางคนก็มีจิตบางคนก็มีวิมังสาบางรูปเนี่ยนะบางรูปโสดาปฏิมักเป็นฉันทะบางรูปสกะทาคามีมักเป็นวิริยะอย่างไรบางรูปอนาคามีมักเป็นจิตตบางรูปอรหัตธรรมักเป็นวิมังสาบางทีนี่ก็แต่ละมักก็คนละทธิบดีกันไปเลยก็มีบางรูปก็ทีบดีเดียวตั้งมักแรกจนถึงมักสุดท้าย สังขารุเปกขายานย่อมกําหนดความแตกต่างกันแห่งปฏิปทาดังกล่าวมาแล้วเนี่ยนะต่างกันไม่ใช่เฉพาะอะไรนะโพชงองค์มัชองค์ฌานปฏิปทาและอธิบดีด้วย5้าอย่างด้วยกันนีสังขารุเปกขายาณเนี่ยเป็นตัวที่กําหนดทำให้ให้มีความหลากหลายทางการบรรลุส่วนสังขารุเปกขายานย่อมกําหนดแน่นอนซึ่งความแตกต่างกันแห่งมิโมกอย่างใด ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้วในตอนต้นสังขารุเปกขายานถ้ามากด้วยอ น, นิจจังก็เป็นอะไรวิโมกอา น, นิมิตาวิโมกถ้ามากไปด้วยทุกขังก็เป็นอัปปนิหิตาวิโมกถ้าสังขารุเปกขายานมากไปด้วยอนัตตาก็เป็นสุญญตาวิโมกอีกนัยหนึ่งหลายนายจังนะไอ้นัยยะตรงๆก็ยังเข้าใจยากแล้วเพิ่มมาอีกนายหนึ่งแล้นะเอาแล้วก็ถ้าเราไม่เรียนไปทําอะไรในชะ่ไห เอาเวลาที่เหลือไปทําอะไรจะคิดไปอย่างนึงอ น, นะเพริรเจอบางาทีก็โอ้ยนั่นก็เยอะอันนี้ก็มากอนนะเอ้าสมมติถ้าเรียนรีบจบเร็วแล้วเวลาที่เหลือไปทําอะไรพอมากลัวว่าจริงๆริงเก ล, ลัวเรียนจบเร็ ว, วสมมุติถ้าส ม, มัยเขามาเรียนจบมาเขาบอกโอ้เรียนปีศสามจบหมดเลยอย่างงี้นะชีวิตที่เหลือไปทําอะไรอย่างเงี้ยนะที่เหลือก็กลับไปเรียนใหม่อย่างงี้ป่ามาดูข้อแปดร้อยสองว่าอีกอย่างหนึ่งธรรมดาว่ามักย่อมได้ชื่อโดยเหตุห้า คือโดยรา่าสะหมายถึงสภาวะของตนบ้างโดยธรรมะที่เป็นค่าศึกบ้างโดยคุณของตนบ้างโดยอารมณ์บ้างโดยธรรมะอันเป็นเหตุมาบ้างแสดงว่ากว่าจะถึงมรรคได้เนี่ยนะปัจจัยที่จะทําให้เกิดมรรคเนี่ยมีหลากหลายมากตรงนี้ท่านก็ยกเหตุห้าอย่างมาให้ดูคือว่าถ้าหากว่าสังขารุเปกหาย่อมออกเพราะพิจารณาสังขารทั้งหลายว่าเป็นของไม่เที่ยง บุคคลผู้พร้อมเพียงด้วยมรค น, นั้นย่อมหลุดพ้นด้วยอนิมิตตวิโมกอันนี้ก็ ok. กคุ้นเคยอยู่แล้วใช่ไหมถ้าหากว่าสังขาร er ุเปขาญาณย่อมออกเพราะพิจารณาว่าเป็นทุกข์บุคคลผู้พร้อมเพียงด้วยมรคนั้นย่อมหลุดพ้นด้วยอัปะนิหิตาวิโมกถ้าหากว่าสังขารุเปขาญาณย่อมพิจารณาว่าเป็นอนัตตาบุคคลผู้พร้อมเพียงด้วยมรคนั้นย่อมหลุดพ้นด้วยสุญญตาวิโมกอันนี้เรียกว่าตามสภาวะของตัวนะสุดแท้แต่ว่า มนาศิกาอนอณิจังทุกขงังหรืออนัตตาวิโมกก็ได้ตามสมควรนัยยะที่สองนัยยะแรกสภาวะของตนนะใช่มสองโดยธรรมที่เป็นข้าศึกบอกว่ามรคนี้ชื่อว่ามาแล้วเพราะใช้อนิจจานุปัสสนากระทำการกระจายคณะคือความเป็นกลุ่มก้อนแห่งสังขารทั้งหลายแล้วละอยู่ซึ่งนิจจนิมิตนิมิตว่าเที่ยงทุวนิมิตนิมิตว่ามั่นคงและสัสนิมิตว่ายั่งยืน ฉะนั้นจึงชื่อว่าอนิมิตตะเพราะว่ามีการกระจายจนละความสำคัญว่าเที่ยงละความสำคัญว่ายั่งยืนละความสำคัญว่าแน่นอนได้ชื่อว่าอปปนิหิตะโดยภาวะที่มาแล้วเพราะใช้ทุกขานนปัสนาละสุขสัญญาแล้วทำปณิที่คือความปรารถนาให้เหือดแห้งไปก็ทุกขานุปัสนาใช่ไหมทุขานุปัสนาก็เป็น อปปนิหิตะคือไร้ความปรารถนาว่าสิ่งนั้นเป็นสุขอีกต่อไปส่วนสุญญตะชื่อว่าสุญญตะเพราะใช้อนาตานุปัสนาและเข้าไปละอัตตสัญญาละสัตตสัญญาและก็ละปุคละสัญญาแล้วเห็นว่าสังขารทั้งหลายเป็นของว่างเปล่าเผลสรุปว่าอริยมรรคเนี่ยบางทีก็สุดแท้แต่ว่าไปละอะไรถ้าอริยมรรคที่เน้นพิเศษคือการละนิจจนิมิตทุวานิมิตสัตตนิมิตมก็เป็น อนิมิตตมรตถ้ามรตใดที่เน้นไปละสุขสัญญาละการทําความปรารถนาให้เหนินแห้งไป น, นะโดยอาศัยทุกขานุปัสนามรตอันนั้นก็เป็นอัปนิหิตะถ้ามรตใดละอัตตสัญญาละสัตตสัญญาละปุคละสัญญาอ่า น, นะทำอนัตตานุปัสนาให้เจริญมรตนั้นก็ชื่อว่าสุ ญ, ญาตามรตอันนี้อยู่ที่การละ น, นะละนิมิตละเครื่องหมายนั่นเอง ส่วนนิยต์ที่สมบอกว่ามรคนี้มาโดยคุณธรรมของตนก็คือมรนี้ชื่อว่าสุญญตะเพราะว่างเปล่าจากกิเลสทั้งหลายมีราคะเป็นต้นสุญญตะคือว่างจากราคาโทสะโมหะมรชื่อว่าอนิมิตตะเพราะไม่มีรูปนิมิตเป็นต้นเพราะไม่มีราคานิมิตเป็นต้นนั่นเทียวคือไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนิมิตนะนะเพราะไม่มีนิมิตคือขันหะแล้วก็มรนั้นอะ่ะจะไม่เป็นนิมิตให้บาปอากุศลเกิดอีกต่อไป อันนั้นเป็นเครื่องหมายที่บอกเลยว่าตั้งอันนี้ไปจะไม่มีราคะโทสะโมหะอีกแล้วนะหรือมักชื่อว่าอปปนิหิตะเพราะไม่มีความการตั้งพระความปรารถนาด้วยราคะราคะปณิทีปแปล ว, ว่าตั้งไว้ด้วยราคะตั้งไว้ด้วยโทสะหรือตั้งด้วยโมหะเพราะอริยมรรคเกิดขึ้นเลิกตั้งไว้ด้วยราคะเลิกตั้งไว้ด้วยโทสะเลิกตั้งไว้ด้วยโมหะอันนี้ชื่อว่ามรรคทั้งหลายมาโดยคุณธรรมของตนมรรคชื่อว่าสุ ญ, ญตะเพราะว่างจาก ราคะเป็นต้นชื่ออานิมิตะเพราะไม่มีราคะเป็นนิมิตเป็นต้นชื่อว่าอปนิหิตะเลิกปรารถนาด้วยอำ น, นาจราคะเป็นต้นอันนี้เรียกว่ามาโดยคุณธรรมของตนส่วนมรคที่มาตามอารมณ์อารมณ์เป็นยังไงอารมณ์ที่บอกว่าสุญญาตาอานิมิตะและอปนิหิตะเพราะอัตถาว่ากระทํานิพพานอันว่างเปล่าหานิมิตไม่ได้อันนี้ก็เรียกว่าอะไรสุญญาตาสุญญาตามรคใช่ไหม ถ้าหาพระนิพพานที่ไม่มีนิมิตก็เรียกว่าอ น, นิมิตะพระนิพพานที่ไม่มีไม่เป็นที่ตั้งแห่งความปรารถนาต่อไปก็เรียกว่าอปปนิหิตะเนี่ยนะเพราะไม่เป็นที่ตั้งแห่งบาปอกุศลอันนี้เรียกว่าชื่อว่ามักทั้งหลายตามอารมณ์ของตนส่วนสุดท้ายสุดท้ายคืออะไรก็ในยะที่ห้าโดยคุณธรรมเนี่ยนะโดยทำมันเป็นเหตุมาอันนี้หมายถึงว่า ธรรมะเป็นเหตุมามีสองอย่างคือเหตุมาคือวิปัสนาแล้วก็เหตุมาคือมัคแล้วแต่ตัวที่พามานะัด้วยพูดถึงมัคหรือวิปัสนาในธรรมะอันเป็นเหตุมาสองอย่างนั้นเหตุมาคือวิปัสนาย่อมได้ในมัคเหตุมาของมัคย่อมได้ในขณะผลเพราะผลของวิปัสนาคือมัคผลของมัค ก, ก็คือสามัญญผลอธิบายว่า อนัตตานุปัสสนาชื่อว่าสุญญตามัคแห่งสุญญตาวิปัสสนาชื่อว่าสุญญตามัคมัคก็ชื่อว่าอนัตตานุปัสสนาใช่ไหมขออภัยอนัตตานุปัสสนานี่ชื่อว่าสุญญตาอารยมัคที่เกิดเพราะเจริญสุญญตานุปัสสนาชื่อว่าสุญญตามัคอนิจจานุปัสสนาเนี่ยชื่อว่าอนิมิตามัคของอนิมิตานุปัสสนาชื่อว่าอนิมิตามัคอันนี้หมายถึงว่าพูดแบบอ้อมออม嘛นะ ตามนัยยะพระสูตรแต่ไม่ได้ตามนัยยะแห่งพระพิธรรมตรงนี้นะมรรคที่เป็นอนุปัสนาเนี่ยนะขออภัยอนิมิตาอนุปัสนา this ู้ตามนัยยะแห่งพระสูตรที่ได้กล่าวไปบ้างแล้วจริงอยู่ในปริยายพระสูตรอาจารย์ทั้งหลายกล่าวไว้ว่าโคตรภูยานกระทํานิพานอันหันนิมิตไม่ได้ให้เป็นอารมณ์ยานที่มีชื่อว่าอนิมิตของตนยานที่ชื่อว่าอนิมิตตะ ตนเองก็ตั้งอยู่ในฐานะเป็นเหตุมาแล้วก็ได้ชื่อแล้วก็ให้ชื่อแก่มรักดังนี้เพราะเหตุนั้นจึงเรียกมรักว่าอนิมิตะส่วนผลเรียกว่าอนิมิตะเพราะเหตุมาคือมรักย่อมถูกต้องทีเดียวสรุปว่าถ้าอนัตตานุปัสสนาจะได้มรักคืออะไรสนญจตามรักถ้านิจานุปัสสนามรักจะได้ชื่อว่าอนิมิตตะมรักส่วนทุกขานุปัสสนานี่ยชื่ออะไร อปปนิหิตาเพราะนำมาซึ่งปณิที่คือความปรารถนาในสังขารทั้งหลายให้เหือดแห้งไปทุกขานุปัสนาเนี่ยทำให้เลิกปรารถนาสังขารอีกต่อไปมรคแห่งอปปนิหิตาวิปัสนาชื่อว่าอปปนิหิตามรคผลแห่งอปปนิหิตมรคชื่อว่าอปปนิหิตาผลวิปัสนาย่อมให้ชื่อแก่ตนให้ชื่อของตนแก่มรคมรคให้ชื่อของตนแก่ผลวิปัสนาให้ชื่อมรค มักให้ชื่อผลตามประการดังกล่าวมานี้แหลนี้ชื่อว่านี้ชื่อว่าชื่อที่ได้โดยธรรมะอันเป็นเหตุมาสังขารุเปกขานี้ย่อมกำหนดแน่นอนซึ่งความต่างการแห่งวิโมกอย่างนี้แหลคือท่านอยากจะเน้นย้ำเป็นพิเศษว่าสังขารุเปกขายานนี้สำคัญมากเพราะเป็นสิ่งที่เกื้อกูลต่ออริยมรรคทั้งหลายเป็นเหตุให้อริยมรรคมีชื่อต่างๆกัน เหตุให้เป็นธาระยะบุคคลต่างๆการเหตุตตให้ชื่อเป็นวิโมกต่างกันให้ไปมีพ่อชงนี่องต่างกันอริยมรคนี่ครบแปดบ้างไม่ครบแปดบ้างชานี้แต่และองค์ก็แตกต่างกัน